พระผู้พิพาจ้าเนี่ยถ้าพระ อ, องค์บอกว่าประตูจงเปิดนเนี่ยนะจะเปิดเลยเนะเพราะในสังสารวัตรที่พระ อ, องค์บำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยพระ อ, องค์ไม่เคยปิดประตูหนีทายกเนียเออหนีปฏิคาหกเพราะไปไม่เคยปิดประตูหนีปฏิคาหกจะเปิดต้อนรับเลยใครต้องการทซับเอาซับไปเออต้องการทรับอะไรจงเอาไปเปิดประตูไว้รอเลย ใครต้องการเอาวัยวะจงเอาเอาวัยวะไปต้องการผมเอาผมไปต้องการขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยต้องการเอาวัยวะของเราให้เอาไปต้องการชีวิตก็จงเอาชีวิตท่านบำเพ็ญบารมีแบบนี้ฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องไปลุกไปเปิดประตูอย่างเราเนี่ยถ้าใครมาหาต้องไปเปิดประตูไหมต้องลุกไปเปิดประตูก็ยอกกแยกไว้เถอะใช่ไหม เพราะเรานั้นเป็นคนปิดประตูไม่จ่ายทรัพย์ไม่แจกไม่แจกเราเป็นคนดันหนี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นคนห่วงกลัวทรัพย์จะหมดจะไปไหนก็ล็อกสองชั้นสามชั้น <c oughs> กลัวมาก <c oughs> กลัวทรัพย์หาย ไม่คอยหรอกยอมสวนนองอกไม่ต้องคอยคอยทำไมไมีเหตุผนลนหลังจากนั้นนาถาปินิกาเราวดีก็ได้ตกแต่งอาหารของเคี้ยวของฉันอันปานีตในนิเวศของกระเสฐีร่วงลาตีแล้วก็กราบทูลพระทหารแด่พระบรมศ า, ศาสดาแล้วก็ <c oughs> สำเร็จแล้วพระเจ้าข้าเวลาเชา้าพุทธเจ้าของอันเตวาศถือบาทจีวรเข้าไปนิเวศของราชฤหษเศรษฐีประทับนั่งอาสนะที่ปูถวายพร้อมภิกษุสงฆ์นะจึงอาณาตาปินิกาเศรษฐีก็อังคาดภิกษุสองมิพระเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารของเคี้ยวของฉันอปณนิดด้วยมือของตนเองจนพระพุธเจ้าเสวยเสร็จลดประหัตจากบาทห้ามพัดแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูล แด่พระผู้มีพระเจ้าว่าผู้ดเจ้าข้าขอพระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ทรงรับอาราธนาอยู่จำพรรษาในเมืองสาวกถีของข้าพู้ดเจ้าได้เถิดเอาสินี่เขาเรียกนโยบายเชิงลุกในการเจริญกุศลวางแผนไว้หมดเรามันนโยบายเชิงรับและถอยล้นไม่เป็นไม่เป็นงานในการเจริญกุศลเขาจยังไม่เจ เนี่ยทนกันไม่ได้บรรลุเป็นอย่างนี้แหละคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดทานก็ไม่ค่อยออกคิดศีศีลก็ไม่ออกคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะเดินยังไงอันนี้เห็นไหมเนี่ยไม่รอท่าทีเลยวางแผนเห็นไหมช็อตหนึ่งช็อตสองสามสี่วางแผ น, 1, 2, 3, 4, แผนเรียบร้อยเบียเสร็จบอกให้จำภาษาที่นั่นเลยสมัยนั้นอาณาถาปินิกาเสถีเป็นคนมีมิตรมากมีสหายมากนะ มีวาจาควรเชื่อถือด้วยแปลว่าไม่เคยผิดศีลมาพูดอะไรคนเชื่อถือถ้อยความถ้อยคำอ่ะสัจจะก็ดีใช่ไหมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่เพรสเชอจะพูดอะไรก็พูดคำคาจริงเนยพูดอ่อนหวานพูดไพเราะพูดสมัรสมานพูดสามัคคีรู้จักการการไหนควรนิ่งการไหนควรพูดของเราเนี่ย ไอการควรจะพูดก็ไม่พูดไปนิ่งซะนี่ไอการจะนิ่งอะไม่ใช่ไหมไม่นิ่งนล้วมาพูดซะนี่ไอการจะพูดเพราะก็ไม่พูดเพราะไอการจะพูดวาจาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยการที่ไม่ควรพูดพูดช่างพูดจังเลยนี่แหละเลยเสียหายมาจนทุกวันนี้แหละรลยการเป็นคนไม่มีการันยุตาเลยไม่รู้จักการเลยเดี๋ยนี้ ท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีวาจาควรเชื่อถือเสร็จกิจในเมืองราชเครือแล้วกลับไปสู่นครสาวัตถีชักชวนชาวบ้านระหว่างทางท่านทั้งหลายจะช่วยกันสร้างอารามเนะเห็นไหมสร้างอารามจงช่วยกันรสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานเพระเาพระเวลานี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วเราว่างทางให้สร้างให้สร้า ง, รางพระองค์ข้าพเจ้าเด่ดนิมนต์แล้วจากเสด็จมาในทางนี้ประกาศเลย ช่วยกันมีมิตรมากมีบริวารมากใช่ไหมไปที่ไหนก็มีแต่เพื่อนเพราะเป็นคนแจกทานนึงนิดน่ะไปที่ไหนจอดรถแจกโดยํำนวนคืออย่างนั้นนะ่ะไอเราไปที่ไหนขับรถผ่านอันนี้แจกมีแจกตลอดนี่นะเพื่อนก็เยอะใช่ไหมคนให้ทานเยอะเพื่อนเยอะไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวมีวาจาอ่อนหวานด้วย ไม่ใช่ให้ทานแบบตาขมึงไม่ใช่งนั้นนะให้ทานมีวาจาอ่อนหวานมีมิตรมากมีสหายมากมีพวกมากเห็นไหยผู้จ่าแล้วมีคนเชื่อถือบอกท่านทั้งหลายเนี่ยทำแล้วก็ลงทุนทําไปอย่างงี้นนะไม่ใช่ทําคนเดียวแล้วเชิญชวนคนทําด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยตามทุกเส้นทางไอ้ที่เส้นทางจะเสด็จดําเนินของพระบรมศา ส, สดาจะ ม, มีวัดอยู่เป็นแถวเลยมีวัดอยู่เป็นแถวเลย ชาวบ้านเหล่านั้นที่นาถาปินิกาสักชักชวนต่างพากันสร้างอารามสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานกนะุศลสิ้นกุศล เ, เป็นแถวหมดเลยคระนานาถาปินิกาเศรษฐีไปถึงนครสาวัตถีเที่ยวตรวจดูพระนครสาวัตถีโดยรอบพระพุทธภาคเจ้าประทับที่ไหนดีเนอะคิดวางแผนแล้วเห็นไหมรู้ด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยไหมคำนวณจากกรุงราชคลีใช่ไหมที่วัดเวรวันนะคํานวณโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ยังไง ไปเบ็เสร็จไม่ใช่ไปนั่งมึนๆเลยไม่ใช่เลยพิจารณาขวเบ็เสร็จคนมีปัญญาเนี่ยกล่าไปเบ็ดเสร็จก็คิดว่าพระพุทธเจ้าควรประทับหนะ้าที่ตรงไหนอย่างไรเป็นต้นเลยเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาบอกว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ไหนดีเนอซึ่งเป็นสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจากหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกชาวบ้านบรรดาที่มีความประสงค์จะไปมาได้ง่ายกลางวันมีคนน้อยกลางคืนเงียบไม่มีเสียงเอื้อทึกนะ ปราศจากกลิ่นไอของคนเป็นสถานควรแก่การประกอบกรรมในที่รับของมนุษย์คือหมายความว่าประกอบกรรมในที่นั้นเหมาะแก่การเจริญกายสุจริตว่าเตสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเหมาะแก่การเดินทางเดินศีลนะนะสมาธิปัญญาเหมาะแก่การเจริญภาวนาเอางั้นเถอะเหมาะแก่การเจริญภ า, าวนาเนะี่ยก็พิจารณาเบ็ดเสร็จนะครับ บอกว่าเป็นที่รับสมควรเป็นที่หลีกเล่นอนาาปินิกะเห็นอุทยานของเจ้าเชษราชกุมารซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลนักไม่ไกลนักจากหมู่บ้านมีคมนาคมที่สะดวกมากก็ชวนบรรดาผู้มีความประสงค์ไปมาได้ง่ายด้วยว่างั้นกลางวันก็มีคนน้อยกลางคืนก็เงียบสงัดมีเสียงอยุกทึกค่มน้อยมากปราศจากกลิ่นไอเป็นสถานที่ควรแกาการประกอบกรรมในที่รับของมนุษย์ชนสมควรเป็นที่หลีกเล่น ในการที่จะเดินศีลสมาธิปัญญาเดินสติปัฏฐานสมาประฐ า, านอิทธิบาทเนี่นะอินทรีพระโพชฌงค์อริยมรรคอุสถานที่ตรงนี้เหมาะแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเชษราชกุมารกราบถูกนขอใต้ฝ่าพระบาทจงประทานอุทยานแก่กล้าขโอมองเพื่อกระจัดสร้างอารามพระ เ, เจ้า้าเอ้ยเข้าใช่หไหมเข้าเฝ้าราชกุมารเลยอ่ะอันนี้ใจกล้าไหมใจกล้าไปแล้วเจ้าเชษราชมารรับสั่งว่าท่านขนขดีอารามเราไม่ให้ไม่ได้ ให้เวดาแต่ต้องซื้อรา ด, ด้วยซับเป็นโกดนะกล้าไหมทันที่ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมพระอารามเนะี่ยบอกว่าพระองค์ทรงตกตกลงขายหรือพระเจ้าข้าอารามฉันยังไม่ตกลงขายท่านข่าบดีเจ้าชายกับขราบดีได้ถามอำมาตผู้พิพ า, ากษาบอกว่าก็าหมายความพอพูดอย่างนั้นเสร็จนะนะ บอกว่าต้องปูราดท่านก็รับพอรับเบ็ดเสร็จนเะจ้าเชษเจ้าเชษจะไม่ขายจะไม่ขายอ่ะพอไม่ขายก็เลยต้องต้องมีการเอาคนมาพิพากษากันแล้วใช่ไหมพูดพากษาไม่ได้แล้วท่านตกลงแล้วนี่ท่านบวก้ปูราดเนี่ยข้าพเจ้าก็รับปาก่ะเอาสิยอมรับทำไมเจ้าเชษทําอย่างนั้น ญาติแช่ต้องการถวายเองต้องการถวายเองหลุดปากไปอ่ะคิดว่าไม่มีคนกล้าใช่ไหมคิดว่าไม่มีคนกล้าถ้าอย่างเราอ่ะมีคนมาพูดอย่างนั้นน่ะว่าถ้างั้นขอคิดดูก่อนใช่ไหมนี่ใหม่เลยทันทีเลยทันทีเอาพอนั่นเด็ยเจะลวไม่ขายนี่เนะียถามมามาผู้พิพากษสาความตกลงขายหรือไม่ตกลงขาย มามาดผู้วิาพากษ์สามต่อว่าเมื่อพระองค์ตีราคาแล้วอารามเป็นอันตกลงขายแล้วก็ตีราคาแล้วเฮ้ยอย่างนี้ปูเลยปูซับเลยย้อนไปตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี้วิปัสสีส น, นามาตุจักขุมันตาสัสสิลิมโตสิกิสส ป, ปินนมาตุสัพภูตานุคาบินโนเวสภูพพสา น, นามาตุนะฮะากาสตาบาสนโนวิโตที่เราเจอมเจ็ดพระองค์ มีเศรษฐีประจําพระธจ้าทุกองค์ที่ตรงนี้บริเวณหนึ่งโยดสิบหกิโลเมตรเนี่ยในพระธจ้าวิบสีสัมมาสัมพุทธเจ้ า, า, าเนี่ยท่านใช้อิฐทองคํำนะเศรษฐียกพระธจ้าองค์ก่อนเนี่ยปูราดเหมือนกันในเนื้อที่สิบหกกิโเมตรใช้อิฐทองคําโปูติดเนี่ยนี่อที่ที่เดียวกันนี้แหละองค์ต่อมาพระธิดาองค์ต่อมาเศรษฐีประจําพระธจ้าใช้ผานทองคํา ปูฐานทองคำปูติดเต็มพื้นที่เหมือนกันองค์ต่อมาใช้เต่าทองคำปูเนี่ยนะต่อมาอีกใช้ไม้เท้าทองคำปูต่อมาก็ใช้อิกทองคำเป็นต้นนีกมาตามลำดับมาจนถึงพุทธเจ้าของเราเนี่ยนาถปินิกาสีดิใช้อะไรกะหาปนะสิบแปดโกด ใครเคยไปเหยียบไปยังพื้นที่ที่นาทะพื้นที่กาปูดได้ซัาเนี่ยทุกอย่างก้าวไปเหยียบตื่นเต้นไหมอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมโอ้โหตื่นเต้นนที่ที่เขาปลูด้วยศรัทธาเลี้ยงปูเลี้ยงปูอะต้นไม้ก็เลี้ยงไม่ได้ไหมเจ้าเชตบอกไม่ขายต้นไม้ไม่ขายเออ เป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้นะที่ที่อินเดียเนี่ยเขาซื้อที่แขกเพื่อจะสร้างวัดใช่ไหมซื้อเบ็เสร็จตกลงราคาเบ็เสร็จแล้วมีการจาร่ายพอหลังจากมีการโอนอะไรเบ็เสเร็จแล้วเขามาทีหลังเขาบอกว่าเขาไม่ขายต้นไม้เขาขายที่ขายที่อย่างเดียว โอ้โห oh. จะทำไงเดี๋ยวนี้คนซื้อที่จะสร้างวัดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้รีบมาเอาต้นไม้ออกให้หมดภายในหนึ่งวันถ้างนั้นจะถือว่าบุกรุกต้องต้องทันไหมถ้าางนั้นถือว่าบุกรุกใช่ไหมกรแขกต้องเล่นกับเขาเอาเขาเป็นคนช่างคิด เพราะว่างั้นเจ้าเชษฐ์ไม่ท่านไม่ขายต้นไม้ถ้าตีเป็นราคาก็เป็นราคามากมายสรุปก็คือท่านถวายุธบูชาและที่ตรงซุ้มประตูท่านก็เอาทรับสิบแปดโกฎสร้างซุ้มประตูด้วยสร้างพระวิหารถวายพระเจ้าตรงนี้ตรงนี้เงินที่ขนออกมาคราวเดียวยังไม่พอแก่โอกาสหน่อยนะก็คือว่าการที่ว่า อาาถาก็ะดดสั่งให้คนเอาเกวียนเนี่ยนะเอาเกวียนน่ยบรรทุกเงินออกมาเรีย ง, ร, ยงรกระลาดริมจดกันเลยนะจดติดกันเลยณอารามเชตวันเงินที่ขนออกมาคราวเดียวเนี่ยนะเป็นห้าร้เป็นหกร้่มกวียนเนี่ยนะหลายร้อยเล่มเกวียนเนี่ยนะไม่พอต้องอยู่ขาดอยู่หน่อยขาดอยู่หน่อยใกล้สมประตู อาณาถาพินิกาก็แล้วพดีก็สั่งค น, นบอกว่าพันนายพวกเธอจงไปขนเงินมาเลี้ยงในโอกาสนี้นะว่างั้นนะเจ้าเชษราชกุมารลำพึงว่าที่อน้อยนี้จักไม่มีเหลือโดยที่ก็แล้วพดีนี้บริจากทรัพย์มากเพียงนั้นพระเจ้าเชษจึงตัดว่ากล่าวว่านาณาถาก็แล้วพดีเนี่ยพอแล้วพอแล้วท่า น, นเสร็จถีท่านจะได้ลาดในโอกาสนี้เลยจงให้โอกาสนี้แก่ฉันเถอะว่างั้นนะให้ฉันบ้าง ที่ว่างนี้ฉันจะยกให้ดังนั้นอนาถกรดีใครควรว่าเจ้าเชษเนี่ยทรงเรื่องเรื่องพระ น, นามมีคนรู้จักมากว่างั้นอันความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ของคนที่มีความรู้จักมากเห็นป่านนี้ยิ่งใหญ่นักแลจึงได้ถวายที่ว่างนั้นน่ะแก่เจ้าเชษ์ราชกุมารเลยเจ้าเชษ ร, รับสั่งให้สร้างซุ้มประตูลงนที่นั้นส่วนอนาถปิณกก็ได้สร้างพระวิหารหลายหลังไว้ในเชตวัน สร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างสราหอฉันโรงไฟนะโรงไฟเอ่ยสร้างกับปิยะกูดีเอ่ยเวชกุดีเอ่ยที่จงกรมสร้างโรงจงกรมสร้างบ่อน้ําเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะบ่อน้ําอ่ะสร้างสราบ่อน้ําสร้างเรือนไฟสร้างสาราเรือนไปสร้างสระบกขรณีสร้างบนดบเยอะแยะหมดเลยงามมากก็วาดภาพเอาเพรตอนนี้ไปเหลือแต่ทราบปากคับฟังนี่นะ แต่เราต้องมีจินมันจินตนาการมีมโนภาพที่เป็นกุศลใช่ไหมว่าจะยิ่งใหญ่มโหรานขนาดไหนเดินทุกย่างก้าวแล้วก็แน่นอกเลยถ้าคนเข้าใจข้อมูลดีๆ เ, เข้าใจเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเหยียบอยู่บนกองเงินกองทองไปทุกทุกทุกย่างก้าวใช่ไเหยียบอยู่บนศรัทธาของท่านผู้มีใจบุญทั้งหลายอลไเนี้ยจะไปนั่งหลับได้ไหมไม่ได้หรอกคนเขาเขาใจเขาขนาดนั้นน่ เขาทำขนาดนั้นขั้นพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ในคนลอราชคลีตามพุทธาพิรมแล้วก็เดิเสด็จจากิพัทนครเวสาลีโดยลําดับจนถึงพัทนครเวสารีแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่กูตาคารสาราป่ามหาวันเขตเวสารีนั้นก็สมัยนั้นชาวบ้านตั้งใจจะก่อสร้างอุปถากภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นนะอํานวยการสร้างดิจิวรบิณนาบาเสนาสนะเพษานเป็นต้นปัจัยแก่ภิกษุอาพาธโดยเคารพอนณาถาพินิกาเศรษฐีซื้อที่ดินนะ ตอนนั้นตอนนั้นก็คือทรับจำนวนส8บโกดสร้างวิหารด้วยรับอีกส8ดโกดเมื่อวิหารเสร็จแล้วให้ทานตามที่ต้องการแก่บริษัททั้ง4ี่ในเวลาก่อนอาหารหลังอาหารกระทำการฉลองอีกส8ดโกดการสร้างวิหารทั้งสิ้นเนียใช้เวลา9้าเดือนสละซับไปห้าสิบสี่โกด9เดือนนะโกดหนึ่งสิบล้านห้าสิบี่โกดเป็นเงินกี่ร้อยล้าน ฮะห้าร้อยสี่สิบล้า น, านถามว่าทุกวันนี้มีใครกล้าทำบุญห้ารอยสี่สิบล้านไหมไม่ใช่นี่ท่านทำหมดท่านกล้าท่านกล้าทำหมดท่านกล้าเอเราไม่มีอยู่เรื่อยเลยเน่นี่นี่ท่านกล้าเพราะใจท่านใหญ่ใจที่เป็นใ บ, บกบุศลเนี่ย คนเนี่ยขอให้ใจนั่นเถอะทาได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอาการอย่างนี้ทําทานเห็นปานนี้ได้เป็นไปในเรือนของตนตลอดการเป็นนิสทุกๆวันนะคืออนาถาปิณิการเศรษฐีเนี่ยนะท่านถึงบอกว่าในชั้นของคําสอนนะพระตถาคตาจานย์ทั้งหลายท่านจะกล่าวไว้ในหลายๆที่บอกว่าอนาถาปิณิการเศรษฐีกับพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยที่มีการมีการถกเถียงกันมีการ คุยเจราจาซึ่งกันและกันเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเวลาพระบรมศาสดาเออเวลาเกี่ยวกันในเรื่องของประทบสังขยนณาทั้งหลายเนี่ยนยสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันใช่เชตวันมหาวิหารคำว่าเชตวันนี่คือเป็นเป็นอุทยานของเจ้าเชษ อ, อารามของท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีใช่ไม เชตวเนอนาถะปิณติกาศสะอารามีก็แปลว่าเจ้าของคนแรกกับเจ้าของคนที่สองใช่เป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างจากให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ถือบุคคลทั้งสองท่านเนี้ยเป็นเนติเป็นตัวอย่างเพื่อการประกอบบุญท่านจึงยกอย่างนี้ แต่บางท่านเนี่ยศึกษาแล้วไปตําหนีเย้าเชิดนี่เขาเรียกไม่เข้าใจคําสอนถ้าเจาะลึกคําอคสอนก็จะเห็นชัดว่าท่านต้องการให้ถือบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างท่านนึงใช้คําว่าเชตาวเ น, นอนาถะอนาถะปิณิกาสาอารามีใช่ไหมเชบอกที่วัดเชตาวันใช่ไหมอารามของท่านอนาถะปิณิกะขึ้นอวบดีหรือเศรษฐีในสมัยพระพุทธเจ้าจรมสาอยู่สิบเก ัาหมดสร้างทรัพย์ไปเท่าไรนะ่เนี่ยหมดไปเท่าไรนะ่เนี่ยเออห้าร้อยสี่สิบล้านหรือห้าสิบสี่โกดและอนาถาพินิกาเสียฐีเนี่ยเจริญทานนกุศลเนี่ยเป็นนิจทนิตยาทานเนี่ยให้ทุกวันสลากพัดนี่ห้าร้อยที่ปักขิกพัดก็คือนี่สิบห้าวันครั้งนี่ห้าร้อยที่มีข้าวยาคูห้าร้อยที่ปักขี ปัจยปัจจัยยาคูก็ห้าร้อยที่ทุวายาคูเนี่ยนะเอ่อทวาพัดก็คือพัดเนึองนิดเนี่ยนะห้าร้อยสระกัพัดสาหรับอาคารดุ ก, กะอีกห้าร้อยพัดสําหรับภิกษุที่เตรียมจะเดินทางอีกห้าร้อยพัดภิกษุไขอีกห้าร้อยที่พัดสําหรับภิกษุคอยดูแลภิกษุไขอีกห้าร้อยที่คิดดูดีสงมากขนาดไหนอารามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาสนะห้าร้อยที่ปูไว้ประจําในเรือน ของตนเองทีเดียว5้าร้อยที่เลยเชิญอารัธนาตลอดวันละห้าร้อยูปเข้ามาที่บ้านด้วยแล้วนอกนั้นยังแจกจ่ายทรัพย์เป็นไปที่ที่ที่ทวัดด้วยที่วัดด้วยอย่างเนืองนิดด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ในการต่อมาพระบรมาสดาประทรับที่เชตวันสถาปนาบาโศกทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆลำดับนั้นก็สถาปนาวไว้ในตำแหน่งเอตทะเป็นผู้เลื่อนกบบาโศกทั้งหลายผู้ถวายทานนี่เนี่ยนี่คื อ, อนาถาบินิกา ท่านก็เจริญกุศลใน อ, อานาถาปีนิกะโอวา โ, โอวาทธสูดเนี่ยนะตอนที่อานาถาป่วยแล้วภาษารีบุตรมากับพานนท์ภาษารีบุตรมาแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบแล้วก็ตอนนั้นว่อาอนาถานี่ป่วยหนักทุรนทุนทนทนลายด้ทําำไปเนะ่พอฟังธรรมไปเสร็จก็อานาถาก็ร้องไห้ ร้องไห้เวสเศร็ก็บอกว่าทำปริยายเนี่ยไม่เคยฟังมาก่อนท่านแสดงในเรื่องของอนัตตาจากักขุโสตคานาชิวหาคายาเป็นต้นเป็นอันาตาอย่างไรพอภาษาริบุตรและพระ อ, อนนท์กลับไปไม่นานท่านก็ตายตายแล้วก็ไปนูน่นอยู่ในชั้นดุสิตท่านก็โอ้โห เ, เรามาอย่างยิ่งใหญ่ในวิมานยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้ใช่ก็เลยนึกในใจโอ้นี่ เราสร้างเชตวันปูด้วยกหาปณะนะถวายพระพุทธเจ้าอย่ต้องรีบไปรายงานประกาศความงดงามของเชตวันเป็นรมณียสถานมีพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกบุุษของโลกประทับมีพระธรรมไหลยอยู่เนืองนิดแล้วก็มีอริยสงสาวกหนึ่งในนั้นคือภาษาลิบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเป็นต้นท่านกอมาภารนา แล้วก็พูดในเรื่องของกรรมังวิชาชีวิตเป็นต้นเหล่านี <the> ้นะเป็นไปตามลำดับนีก็ไล่ไปตามลำดับและต่อมาก็ท่านก็ประทักษ์ศีลพระพภทธเจ้าแล้วก็แล้วก็กลับไปยังวิมานของตนเองตอนใกล้ลุ่มพระพุทธเจ้าก็ประชุมภิกษุสงฆ์ตอนเช้าถามว่าท่านทั้งหลายเมื่อคืนตอนใกล้ลุ่มเนี่ยแสงสว่างทั่วเชตวันเลยอ่ะทราบไหมว่าใครมาภิกษุสงฆ์ก็บอกไม่ทราบ เจ้าของวัดมาเจ้าของวัดมาภลานาอนาวังนะาน่าชื่นใจนะท่านก็มาชื่นชมมาลามาเป็นสถานที่ภิกษุสงฆ์ที่ที่เป็นผ้ายะคือคนได้บรรลุจากที่ตรงนั้นไม่ใช่น้อยจังมากมายเลยแปดหมื่นสี่พันนี่เป็นระยะระยะเลยก็เฉพาะมนุษย์นะมะรวมในที่ปุพารามแล้ว แล้วที่เชตาวันนี่นะสองแห่งอยู่ใกล้กันเนี่ยพระบรมศาสด า, าใช้สองสถานะแต่จาํามรษาที่เชตาวันมากกว่า 19, สิบเรษาที่ปุพารามนี่หเป็นยี่สิห้าภาษาแต่ทั้งตอนกลางวันเนี่ยจะใช้สองสถานาที่เสด็จไปเสด็จมาตลอดเวลานั่นคือพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์สองตระกูลนี้สรุปก็คือในเชตาวันในสาวัตถีประชากรเจ็ดสิบล้านเนี่ยนะในตัวเมืองหลวงเนี่ยเป็นพ่ายญาติบุคคลสะ50้าสิบล้าน นี่ก็ต้องมองนะี่ส่วนมนุษย์เทวส่วนเทวดาหรือมนุษย์จากเมืองอื่นไม่นับที่มาไหลมาบรรลุตอนที่พระเจ้าแสดงยะมะกษัตริิหารโอ้โหบรรลุสองร้อยล้านห่างจากยะมะกษัติปฏิหารไปอีกประมาณ4ี่ห้าร้อยประมาณี่ร้ยกว่ากิโลที่สังกษสานนครนั้นนะ่ะลงจากดาวดึงพอแสดงธรรมในครั้งนั้นสัตว์ก็ได้บรรลุ3า0รอยล้านเนี่ยนยะ เราจะได้รู้จักตัวเองว่าเราเราคือใครจะได้ประมาณตัวเองถูกเราเร่งรีบเสียจะได้ประมาณทำไมไม่มีเราอยู่ <c oughs> เพราะเราเพราะเราไม่ตั้งใจฟังธรรมนี่แหละใช่เพราะเราไม่มีศรัทธานั่นเองใช่ไหมศรัทธาเรายังไม่ถึงนั่นเองประกาศไหมสักวันหนึ่งเราจะตั้งศรัทธาให้ถึงให้แข็งแรง ที่จริงเวลาใกล้จะหมดแล้วมาจะพูดเรื่องวิศนางวิสาขาพอเป็นพิธีสักนิดหน่อยที่จริงก็ประวัตินางวิสาขานี่ยาวมากเนะี่ยแต่สรุปประเด็นอย่างนี้เพราะจริงๆพวกผู้หญิงเยอะได้ใช่ไหมมีผู้ชายอีกคนเดียวสองน่าจะเล่าเรื่องประวัติของนางวิสาขาได้ซ้ําไปแต่อามาก็ต้องเล่าของอนาถาก่อนใช่ไหมต้องให้ให้เกียรติอุบาสกก่อนใช่ไหมตามลําดับของบริษัทไง ที่จริงก็คือจะเล่าประวัติของนางวิสาขาที่แรกกาจะเล่าให้นั่นก็สถานการณ์ก็ไม่เดินเดินเร็วไม่ได้เดี๋ยวก็จะฉุกกระหุูนางวิสาขาเนี่ยสมัยพระปทุมมุตตระสามาสามุฤเจ้าเนี่ยบังเกิดในเรือนตระกูลหังสวัสดีเหมือนกันต่อมาฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเห็นพระศาสดาสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตําแหน่งเยจัตค้าเป็นผู้เลื่อนกลุบาสิกาในการถวายทาน ก็ปรารถนาตําแหน่งนั้นนางก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์กับเทวดานะ่ะแสนกับไม่เคยลงอบายภูมิเลยเ <laughs> นี่ยตอนนี้เราตั้งอัธยาศัยได้นะเราจะไปอีกแสนกับล้วก็จะไม่ลงอบายภูมิเหมือนกันแล้วก็จะเจอพระเจ้าองค์ต่อไปพระศรียะเมตไตรเราก็จะได้ฐานะนั้นดีไหมกลัวไม่ทัน <laughs> <laughs> ลองหน่อยที่ยังไงเอาอนุก็ได้เออมีจูละอนาถาพินิกาก็มีนะ จูระนะถาถพินิการเนี่ยเป็นอภะนาคาด้วยตอนที่เป็นผู้ดูแลตอนที่พระเจ้าแสดงยงมา ก, กาปาฏิหารเนี่ยเป็นผู้ถวายทานนะเป็นผู้ถวายทานนะนั้นอย่างนี้ก็เป็นจูรานาะงวิสาขาก็ได้ใช่หมหรือเล็กกว่าจูระก็ได้อนุจูระก็ได้ใช่อย่างนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็คือต่อมาก็มาถึงคั้นพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะก็บังเกิดในราชธิดาน้องน้อยกว่าเขาทั้งหมดนแห่งตระกูลที่ดาทั้งเจ็ดในราชนิเวศของพระเจ้ากิงกิพระราชธิดาพี่น้องเจ็ดองค์ก็คือสมณีสมณคุตตาพิกุณีพิกุทาติกาธรรมมัสุธรรมมาแล้วก็สังคาทาสี ครบเนี่นะพระราชดิราเหล่านั้นในบัดนี้ทรั้งพุทธกาลก็คือพระเขมาอุบลวันนาปตาจาราโคตมีแล้วก็นางธรรมธินนานางมหามายาสิริมาพยาแล้วก็นางวิสาขาเจ็ดเนี่ยท่านเกี่ยวพันกันอย่างนี้เนี่ยเป็นพี่น้องกันมาใช่ไหมนี่ควควรเป็นญาติกันก็มาเกิดตอนที่พระเจา้าตอนที่ตรวจดูตรวจดูการตอนที่จะลงมาถือปฏิสนธิว่าเออ ภิกษุภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทเี่ที่จะเป็นเนี่ยนะมาเกิดกันหมดหรือยังในยุคเนี้โอ้มากันพร้อมเลยพระองค์ก็ใช่หไหมเป็นการที่เหมาะสมแล้วลงรับบาราธนาจากพรมแด้เทวดาในหมื่นจากวานเดาราธนามาถือปอร์เซ็นทีวางแผนกันมาไม่รู้กีก่ล้านล้าล้านยปีใช่ไหมเสียสงขายายิ่งด้แสนกับในะวางแผนวางแผนในการที่จะมากันเป็นทีม ทีมขนาดใหญ่แล้วเราวางแผนอะไรบ้างไหมเนี่ยได้ทีมแค่คนสองคนยังมองหน้ากันไม่ค่อยติดอีกแตกแล้วก็เลี้วๆเห็นกันนิดหน่อยเอาละเดี๋ยวก็เป็นแมลงหวีแมลงวันอยู่เลยเห็นไหมก็วางแผนไกลยิงนะเป้าหมายการบรรลุเนี่ยนะเป้าหมายการบลูสมัยนั้นนะนะราชดิดาส กเวียนอยู่ในมนุษย์เทวดานะพุทธันดอนหนึ่งเลยแต่เนี้ยในพุทธการเนี้ยนางสุธรมมาเทวีภริยาของธนันชัยเศรษฐีบุตรของเมธกาศเศรษฐีที่พัทยานครแคว้นอังคะบิดามานดาตั้งชื่อว่านางวิสาขานางมาเกิดเนี้ยเวลานางมีอายุเจ็ดขวบพอจเจริญเติบโตมาเจ็ดขวบนะไอชื่ออะไรเนะฮะ อิมมี่อายุเท่าไรสิบสองขวบลองดูคนอายุเจ็ดขวบนางวิสาขาดูนะเนีย่ยสิบสองขวบกับเจ็ดขวบได้ต่างกันยังไงนี้นางเกิดมานะเกิดมาในตระกูลเศรษฐีพออายุเจ็ดขวบครั้งนั้นพระทศพลยานคือพระสัมมาสัมพทธเจ้านะ่เข็นอุปนิสัยสมบัติของ